เพื่อพิจารณาเพื่อทำให้ลักษณะนั้นแจ่มแจ้งนี้ชื่อว่าการถามเพื่อทาให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นการถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้วเป็นอย่างไรคือโดยปกติลักษณะใดตุนรู้เห็นเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งแล้วก็ถามปัญหาเพื่อเทียบเคียงลักษณะนั้นกับบัณฑิตอื่นน้ชื่อว่า การถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้วการถามเพื่อตัดความสงสัยเป็นอย่างไรคือโดยปกติบุคคลเป็นผู้แล่นไปสู่ความสงสัยแล่นไปสู่ความเครือบแคลงเกิดความทิดเป็นสองแง่ว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่หนอเป็นอะไรหรือเป็นอย่างไรหนอเขาก็ถามปัญหาเพื่อตัดความสงสัยน้ชื่อว่าการถามเพื่อตัดความสงสัย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 อุบาสิกาก็ทูลถามพระราชาก็ทูลถามประศัตรก็ทูลถามพรามก็ทูลถามแพทย์ก็ทูลถามสูตรก็ทูลถามครหัตก็ทูลถามบรรปชิกก็ทูลถามนี้ชื่อว่าการถามของมนุษย์การถามของอมนุษย์เป็นอย่างไรคือพวกอมนุษย์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าแล้วทูล ถ, ถามปัญหา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 ซึ่งสำเร็จด้วยพระไทยมีอวัยวะใหญ่น้อยครบทุกอย่างมีอินทรีย์ไม่บกพร่องพระรูปเนรมิตนั้นเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคทรงวิสัชญานี้ชื่อว่าการถามของรูปเนรมิตเหล่านี้ชื่อว่าการถามอีกสามอย่างการถามอีกสามอย่างคือหนึ่งการถามเพื่อประโยชน์ตน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 หการถามถึงก ja. ุศลธรรม 2. การถามถึงอกุศลธรรม 3. การถามถึงอัพยกตะธรรมการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงขันธ์สการถามถึงธาตุสการถามถึงอายตนะการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงสติปัฏฐาน 2. การถามถึงสัมมาปัฏฐาน สาการถามถึงอิทธิบาทการถามอีก <g aret> สามอย่างคือหนึ่งการถามถึงอินทรีย์สอการถามถึงพละ <g aret> สาการถามถึงโพชฌงการถามอีกสามอย่างคือหนึ่งการถามถึงมรรคสการถามถึงผลสการถามถึงนิพพานคําว่าขอทูลถามปัญหานั้นอธิบายว่า ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์เพือทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดรวมความว่าขอทูลถามปัญหานั้นคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคากล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจีลาบัญญัติคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นด้วยเถิด อธิบายว่าขอโปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจาแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านเมตตคูทูล ถ, ถามดังนี้เป็นบทสนทิ รวมความว่าท่านเมตคูทูลถามดังนี้คำว่าข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นผู้จบเวททรงอบรมพระองค์แล้วอธิบายว่าข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นผู้จบเวทสำคัญพระองค์ว่ามีพระองค์อบรมแล้วเคอเข้าใจอย่างนี้รู้อย่างนี้รู้ละเอียดอย่างนี้รู้เฉพาะอย่างนี้แทงตลอดอย่างนี้ ว่าด้วยผู้จบเวทคําว่าทรงเป็นผู้จบเวททรงอบรมพระองค์แล้วอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นผู้จบเวทอย่างไรญาณปัญญาปัญญินสีปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชงวิมังจาวิปัสนาสัมมาทิฏฐิในมัคทัทสีเรียกว่าเวทพระผู้มีพระภาคทรงถึงที่สุด ทรงบรรลุที่สุดทรงถึงส่วนสุดทรงบรรลุส่วนสุดทรงถึงปลายสุดทรงบรรลุปลายสุดทรงถึงท้ายสุดทรงบรรลุท้ายสุดทรงถึงที่ปกป้องทรงบรรลุที่ปกป้องทรงถึงที่หลีกเร้นทรงบรรลุที่หลีกเร้นทรงถึงที่พึ่งทรงบรรลุที่พึ่งทรงถึงที่ไม่มีภัยทรงบรรลุที่ไม่มีภัยทรงถึงที่ไม่จุติทรงบรรลุที่ไม่จุติ ทรงถึงที่ไม่ตายทรงบรรลุที่ไม่ตายทรงถึงที่ดับทรงบรรลุที่ดับแห่งชาติชราและมรณะด้วยเวทเหล่านั้นอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นผู้จบเวทเพราะทรงถึงที่สุดแห่งเวททั้งหลายชื่อว่าทรงเป็นผู้จบเวทเพราะทรงถึงที่สุดด้วยเวททั้งหลายชื่อว่าทรงเป็นผู้จบเวท พระทรงเป็นผู้รู้แจ้งทำเจ็ดประการคือหนึ่งทรงรู้แจ้งสักกายทิฏฐิ 2. สองทรงรู้แจ้งวิจิกิจชา 3. สทรงรู้แจ้งศีลปตะประาปรมาต f o ทรงรู้แจ้งราคะหทรงรู้แจ้งโทสะหทรงรู้แจ้งโมหะเจ็ทรงรู้แจ้งมานะและพระองค์ทรงรู้แจ้งบาปอากุศลธรรม ซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่มีความโกร่งกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไปสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสพิยะบุคคลวิจัยเวททั้งหมดของสมณพราหมณ์ที่มีอยู่เป็นผู้ปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวงก้าวล่วงเวททั้งปวงแล้วชื่อว่าผู้จบเวท พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นผู้จบเวทอย่างนี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงอบรมพระองค์แล้วเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงอบรมพระวรกายแล้วอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาอบรมสติปัฏฐานอบรมสัมมาปัฏานอบรมอิทธิบาทอบรมอินทรีย์อบรมภละอบรมโพชฌงอบรมมร ทรงละกิเลสได้แล้วทรงรู้แจ้งธรรมที่ไม่กำเริบแล้วธรรมนิโรธให้แจ้งได้แล้วพระองค์ทรงกำหนดรู้ทุก์ได้แล้วละสมุทัยได้แล้วเจริญมรรคได้แล้วธรรมนิโรธให้แจ้งได้แล้วรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้แล้วกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ได้แล้วละธรรมที่ควรละได้แล้วเจริญธรรมที่ควรเจริญได้แล้วทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งได้แล้ว พระองค์ทรงมีธรรมไม่น้อยใหญ่ลึกซึ้งประมาณไม่ได้อย่างลงได้ยากมีพระธรรมรัตนะมากเปรียบดังทะเลหลวงประกอบด้วยอุเบกขามีองค์หกคือว่าด้วยอุเบกขามีองค์หกพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปทางพระเนรแล้วไม่ดีพระไทยไม่เสียพระไทยทรงวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ทรงสะดับเสียงทางพระโสดแล้ว ทรงดมกลิ่นทางพระนาศิษแล้วทรงลิ้มรสทางพระชิวหาแล้วทรงถูกต้องผลธรระทางพระวรกายแล้วทรงรู้ธรรมารมณ์ทางพระไทยแล้วไม่ดีพระไทยไม่เสียพระไทยทรงวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปทางพระเนตรแล้วก็ไม่ติดพระไทยไม่ทรงยินดีรูปที่น่าพอพระไทยไม่ทรงให้เกิดความกำหนัด พระองค์มีพระวรกายตั้งมั่นมีพระไทยตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในหลุดพ้นดีแล้วทรงเห็นรูปนั้นที่ไม่น่าพอพระไทยทางพระเนตรแล้วก็ไม่เสียพระไทยไม่กลร้วไม่หดหูไม่พยาบาทพระองค์มีพระวรกายตั้งมั่นมีพระไทยตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในทรงหลุดพ้นดีแล้วสดับเสียงทางพระโสตแล้ว ทรงดมกลิ่นทางพระนาศิกแล้วทรงลิ้มรสทางพระชิวหาแล้วทรงถูกต้องผลตะเภาทางพระวรกายแล้วทรงรู้ธรรมารมทางพระไทยแล้วก็ไม่ติดพระไทยไม่ทรงยินดีธรรมารมที่น่าพอพระไทยไม่ทรงให้เกิดความกำหนัดพระองค์มีพระวรกายตั้งมั่นมีพระไทยตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในทรงหลุดพ้นดีแล้ว ทรงรู้ธรรมมารมณ์นั้นที่ไม่น่าพอใจทางพระไทยแล้วเพราะไม่เสียพระไทยไม่กคลิ้วไม่โหดโหไม่พยาบาทพระองค์มีพระวรกายตั้งมั่นมีพระทัยตั้งมั่นดํารงอยู่ด้วยดีภายในหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปทางพระเนตรแล้วก็มีพระวรกายตั้งมั่นในรูปที่ชอบพระไทยและไม่ชอบพระไทยมีพระไทยตั้งมั่น ดำรงอยู่ด้วยดีภายในหลุดพ้นดีแล้วสลับเสียงทางพระโสตแล้วทรงดมกลิ่นทางพระนาสิกแล้วทรงลิ้มรสทางพระชิวหาแล้วทรงถูกต้องโพตพภะทางพระวรกายแล้วทรงรู้ธรรมรมทางพระไทยแล้วก็มีพระวรกายตั้งมั่นในธรรมรมที่ชอบพระไทยและไม่ชอบพระไทยมีพระไทยตั้งมัน่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในหลุดพ้นดีแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปทางพระเนตรแล้วก็ <_ met ut iles> ไม่ทรงกำหนัดในรูปที่ชวนกำหนัดไม่ขัดเคืองในรูปที่ชวนขัดเคืองไม่หลงในรูปที่ชวนให้หลงไม่โกรธในรูปที่ชวนให้โกรธไม่เศร้ามองในรูปที่ชวนให้เศร้ามองไม่มัวเมาในรูปที่ชวนให้มัวเมาสับเสียงทางพระโสตแล้วทรงดมกลิ่นทางพระนาจิกแล้วทรงลิ้มรสทางพระชิวหาแล้ว ทรงถูกต้องผูฏพะทางพระวรกายแล้วทรงรู้ธรรมารมทางพระทัยแล้วก็ไม่ทรงกำหนัดในธรรมารมที่ชวนให้กำหนัดไม่ทรงขัดเคืองในธรรมารมที่ชวนให้ขัดเคืองไม่หลงในธรรมารมที่ชวนให้หลงไม่ทรงมัวเมาในธรรมารมที่ชวนให้มัวเมาไม่ทรงเศร้าหมองในธรรมารมที่ชวนให้เศร้าหมองพระผู้มีพระภาคเมื่อทอดพระเนตรก็สักว่าทอดพระเนตร เมื่อสดับก็สักว่าสดับเมื่อรับรู้กลิ่นรสโผฏฐะก็สักว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมรมก็สักว่ารู้แจ้งไม่ทรงติดในรูปที่ทรงเห็นไม่ทรงติดในเสียงที่ได้สะดับไม่ทรงติดในกลิ่นไม่ทรงติดในรสและไม่ทรงติดในสัมผัสที่รับรู้ไม่ทรงติดในธรรมรมที่ทรงรู้แจ้งไม่มีตัณหาไม่มีใจประทุษร้าย ตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องในรูปที่ทรงเห็นมีพระไทยเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ไม่มีตันหาไม่มีใจประทุษร้ายตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยไม่ทรงพัวพันพ้นขาดไม่ทรงเกี่ยวข้องในเสียงที่ได้สดับในกลิ่นรสโภชภะที่รับรู้ในธรรมรมณ์ที่ทรงรู้แจ้งมีพระไทยเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ รรรร prophet, พระผู้มีรพระภาคมีพระเนตรทรงเห็นรูปทางพระเนตรแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีความกำหนัดด้วยความพอพระไทยมีพระไทยหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคก็มีพระโสดสดับเสียงทางพระโสดแต่ไม่ทรงมีความกำหนัดด้วยความพอพระไทยมีพระไทยหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคก็มีพระนาศิกฐ์ทรงดมกลิ่นทางพระนาศิกฐ์แต่ไม่ทรงมีความกำหนัดด้วยความพอพระไทย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 ทรงรู้ธรรมารมณ์ทางพระไทยแล้วแต่ไม่ทรงมีความกำหนัดด้วยความพอพระไทยมีพระไทยหลุดพ้นดีแล้วตาชอบรูปยินดีในรูปชื่นชมในรูปพระผู้มีพระภาคทรงฝึกคุ้มครองรักษาสํารวมพระเนตรและทรงแสดงธรรมเพื่อสํารวมตานั้นหูชอบเสียงยินดีในเสียงชื่นชมในเสียงจมูกชอบกลิ่นยินดีในกลิ่น ลิ้นชอบรสยินดีในรสชื่นชมในรสพระผู้มีพระภาคทรงฝึกคุ้มครองรักษาสำรวมลิ้นและทรงแสดงธรรมเพื่อสำรวมลิ้นนั้นกาชอบโพธภพภะยินดีในโพธภพภะชื่นชมในโพธภพิภะใจชอบธรรมารมยินดีในธรรมารมชื่นชมในธรรมารมพระผู้มีพระภาคทรงฝึกคุ้มครองรักษาสารวม และทรงแสดงธรรมเพื่อสํารวมใจนั้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าคนทั้งหลายนำสัตว์พานะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมทรงราชพานะที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกแล้วซึ่งอดกลั้นต่อคำล่วงเกินได้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าอาชานายม้าสินทพช้างใหญ่ที่ได้รับการฝึกหัดแล้วประเสริฐ แต่คนที่ฝึกหัดแล้วประเสริฐกว่าสัสตร์พานะเหล่านั้นเพราะใครก็ไปถึงนิพพานอันเป็นทิศที่ไม่เคยไปด้วยยานพานะเหล่านั้นไม่ได้เหมือนบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนฝึกหัดแล้วอย่างดีไปถึงได้พระอรหันต์ทั้งหลายหลุดพ้นจากภพใหม่แล้วบรรลุถึงภูมิที่ฝึกแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในมาณะทั้งหลายท่านเป็นผู้ชนะแล้วในโลก ผู้ใดอบรมอินทรีย์แล้วในโลกทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกผู้นั้นเป็นผู้อบรมแล้วฝึกดีแล้วรู้ชัดทั้งโลกนี้และประโลกรอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้นพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงอบรมพระองค์แล้วอย่างนี้รวมความว่าข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นผู้จบเวททรงอบรมพระองค์แล้ว ว่าด้วยทุก์คำว่าจากไหนหนอในคำว่าทุกเหล่านี้เกิดมาจากไหนหนอเป็นคำถามด้วยความสงสัยเป็นคำถามด้วยความข้องใจเป็นคำถามสองแง่เป็นคำถามมีมุมหลายหลากว่าอย่างนี้หรือหนอมิใช่หรือหนอเป็นอะไรเล่าหนอเป็นอย่างไรเล่าหนอรวมความว่าจากไหนหนอคำว่าทุก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 โรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคคืดไข้หวัดไข้พิษไข้เชื่อมซึมโรคท้องเป็นลมสลบลงแดงจุกเสียดอหิวาตกโรคโรคเรื้อนฝีกลากมองคล่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหิดหูดโรคละลอกโรคดี่านโรคดีคำเริบโรคเบาหวาน โรคเริมโรคผุพองโรคฤาสีดวงความเจ็บป่วยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมไข้ฉันนิบาศความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูความเจ็บป่วยที่เกิดจากการผลัเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนความเจ็บป่วยที่เกิดจากความภาคเพียนกลดกําลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรมความหนาวความร้อน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 ทุกเพราะโภคาซัพินาธทุกเพราะศีลวิบัติทุกเพราะทิฏฐิวิบัติความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าใดปรากฏในเบื้องต้นความดับแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมปรากฏในเบื้องปลายวิบากอาศัยกรรมกรรมก็อาศัยวิบากรูปอาศัยนามนามก็อาศัยรูปนามรูปเป็นไปตามชาติชราติดตามพญาทครอบงำมรณะย่ำยี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 บังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนได้แก่มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดคือขอทูลถามทูลขอทูลอาราธนาทูลให้ทรงประกาศรวมความว่าทุกเหล่านี้เกิดมาจากไหนหนอคำว่าอะไรก็ตามในคำว่าทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลก ได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าอะไรก็ตามนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยยโลกเทวโลกขันธโลกทาตุโลกอายตนะโลกคำว่าหลายรูปแบบได้แก่ทุกหลายอย่างต่างประการ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 ทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกทุกเหล่านี้เกิดมาจากไหนหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตคูเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้ว เราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกนั้นแกเธอตามที่เรารู้ทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกล้วนเกิดมาจากอุปธิเป็นต้นเหตุคำว่าแห่งทุกขในคำว่าเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกขกับเราแล้วได้แก่ชาติทุกข์ชาาทุกข์พญาทิทุกข์มรณะทุกโสกะปริเทวทุกขโทมานตุปายาทุกคาว่า เธอได้ถามถึงแดนเกิดอธิบายว่าเธอได้ถามถึงมูลถามถึงเหตุถามถึงต้นเหตุถามถึงการเกิดขึ้นถามถึงแดนเกิดถามถึงสมุทฐานถามถึงอาหารถามถึงอารมณ์ถามถึงปัจจัยถามถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์คือขออัญเชิญให้ประกาศรวมความว่าเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้ว คำว่าเมตคูเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพร์นั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจการบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตคูคำว่าแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นในคำว่า เราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกนั้นแก่เธอตามที่เรารู้อธิบายว่าเราจะบอกคือจากพูดแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศมูลบอกเหตุบอกต้นเหตุบอกการเกิดขึ้นบอกแดนเกิดบอกสมุธฐานบอกอาหารบอกอารมณ์บอกปัจจัยบอกเหตุเกิดรวมความว่า เราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกนั้นแก่เธอคำว่าตามที่เรารู้อธิบายว่าเราจะบอกทาที่รู้ด้วยตนเองทาที่ได้ประจักษ์แก่ตนเองตามที่เรารู้คือตามที่เราทราบรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดมิใช่โดยอาการเชื่อผู้อื่นว่าทำนี้เป็นดังนี้ดังนี้มิใช่โดยการเล่าลือมิใช่โดยการถือสืบสืบกันมา มิใช่โดยการอ้างตำรามิใช่โดยตักกะมิใช่โดยการอนุมานมิใช่โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลมิใช่เพราะเข้ากันได้กับทิษฎีที่พินิจไว้แล้วรวมความว่าเราจะบอกแดงเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอตามที่เรารู้ว่าด้วยอุปธิสิบคำว่าทุกข์ล้วนเกิดมาจากอุปธิเป็นต้นเหตุอธิบายว่าคำว่าอุปธิ ได้แก่อุปทิสิบอย่างคือหนึ่งอุปทิคือตันหาสองอุปทิคือทิฏฐิสอุปทิคือกิเลสสอุปทิคือกรรมหอุปทิคือทุจริตหอุปทิคืออาหารเจ็อุปทิคือปฏิฆะแปอุปทิคืออุปาทินนทาศีเกอุปทิคืออายตนะภายในหก อุปธิคือหมวดวิญญาณหกทุกแม้ทั้งหมดก็เป็นอุปธิเพราะมีความหมายว่าทนได้ยากเหล่านี้เรียกว่าอุปธิสิบคำว่าทุก์ได้แก่ชาติทุกข์ชาราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โซกะปริเทวะทุกขโทมณตอุปาญาทุกข์พยาธิครอบงำมรณะย่ำยีตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่ต้านทาน ไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศายัยเหล่านี้เรียกว่าทุกข์ทุกข์กเหล่านี้มีอุปธิเป็นต้นเหตุคือมีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นปัจใจมีอุปธิเป็นการชื่อว่าเกิดมาคือกำเนิดมาเกิดขึ้นบางเกิดแต่อุปธิเป็นต้นเหตุรวมความว่าทุกข์ล้วนเกิดมาแต่อุปธิเป็นต้นเหตุ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 พรรามแพทย์สูตรครหัตบรรปชิตเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามคำว่าไม่มีปัญญาได้แก่ไปตามอาวิชชาคือไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาแจ่มกระจ่างมีปัญญาทึบคคำว่าย่อมก่ออุปธิอธิบายว่าย่อมก่ออุปธิคือตัณหาก่ออุปธิคือทิฏฐิก่ออุปธิคือกิเลกก่ออุปธิคือกรรม กอุปธิคือทุจริตกอุปธิคืออาหารกอุปธิคือปฏิคะก่ออุปธิคืออุปาทินะธาตุสีกอุปธิคืออายตนะภายในหกกอุปธิคือหมวดวิญญาณหกคือให้เกิดให้เกิดขึ้นให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นรวมความว่าผู้ใดแลไม่มีปัญญาย่อมก่ออุปธิ คำว่าผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเขาย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆ อ, อธิบายว่าถึงเข้าถึงเข้าไปถึงคืถือยึดมั่นถือมั่นชาติทุกข์ชราทุกพยาที่ทุกข์มรณะทุกข์โศกะปริเทวะทุกภะโทมณตอุปายาทุกขรวมความว่าย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆคำว่าเป็นคนเขาได้แก่เป็นคนเขา คือเป็นคนหลงไม่มีปัญญาไปตามอาวิชชาไม่มียานไม่มีปัญญาแจ่มกระจ่างมีปัญญาทึบรวมความว่าผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเคลาย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นบุคคลรู้อยู่ไม่ควรก่ออุปธิได้แก่เพราะฉะนั้ น, ค, น, ค, ออะะ น, นคือเพราะข้อนั้นเป็นการเพราะข้อนั้นเป็นเหตุ เพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยเพราะข้อนั้นเป็นต้นเหตุคือมองเห็นโทษนี้ในอุปธิทั้งหลายรวมความว่าเพราะฉะนั้นคําว่ารู้อยู่ได้แก่รู้อยู่ยคือทราบอยู่รู้แจ่มแจ้งอยู่รู้เฉพาะอยู่แทงตลอดอยู่คือรู้อยู่ทราบอยู่รู้แจ่มแจ้งอยู่รู้เฉพาะอยู่แทงตลอดอยู่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าไม่ควรก่ออุปธิอธิบายว่าไม่ควรก่ออุปธิคือตัณหาไม่ควรก่ออุปธิคือทิฏฐิไม่ควรก่ออุปาิคือกิเลสไม่ควรก่ออุปาธิคือกรรมไม่ควรก่ออุปธิคือทุจริต ไม่ควรก่ออุปาธิคืออาหารไม่ควรก่ออุปธิคือปฏิคะไม่ควรก่ออุปธิคืออุปาทินะธาตุสี่ไม่ควรก่ออุปธิคืออายตนะภายในไม่ควรก่ออุปธิหมวดวิญญาณหกคือไม่ควรให้เกิดไม่ควรให้เกิดขึ้นไม่ควรให้บังเกิดไม่ควรให้บังเกิดขึ้นรวมความว่าเพราะฉะนั้นบุคคลรู้อยู่ไม่ควรก่ออุปาิ คำว่าทุก์เด็กแก่ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณนะทุกข์โซกะปริเทวะทุกขโทมานอุปายาทุกข์คำว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกว่ามีชาติเป็นแดนเกิดอธิบายว่าพิจารณาเห็นมูลพิจารณาเห็นเหตุพิจารณาเห็นต้นเหตุพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นพิจารณาเห็นแดนเกิด พิจารณาเห็นสมุทฐานพิจารณาเห็นอาหารพิจารณาเห็นอารมณ์พิจารณาเห็นปัจจัยพิจารณาเห็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ญาณตรัสเรียกว่าอนุปัสนาได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิผู้ใดประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อม เป็นไปเป็นไปพร้อมเพียพร้อมด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นนี้ผู้นั้นตราสเรียกว่าผู้มีปกติพิจารณาเห็นรวมความว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกว่ามีชาติเป็นแดนเกิดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าผู้ใดแลไม่มีปัญญาย่อมก่ออุปธิผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเขคย่อมเข้าถึงทุกบ่อย